เสงเสียงกาบางเสียงคนบางเสียงสัตว์เสียงต้นไมเไ้เสียงคนทั่วไปเสียงคนปฏิบัติธรรมเสียงคนไม่ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็ให้เกิดปัญญาได้เท่านั้นถ้าเราฟังเป็นเราฟังไม้เป็นนี่ก็ก็ให้เกิดปัญหาได้เท่านั้นเหมือนกันอันนี้คือความแตกต่างสำหรับผู้ปฏิบัติ ผู้ม่ปฏิบัติผู้ไม่ได้ปฏิบั ต, นะมบติมีฟังดบน้อยหมายถึงว่าฟังใบน้อยที่จะถูกใจส่วนมากฟังแล้วไม่ถูกใจผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงฟังแล้วก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่ละเอียดสูงขึ้นฟังแล้วก็ ถูกใจก็ไ่เอไม่ถูกใจไม่เอาฟังบดยการพิจารณาเนี่ยโการพิจารณาเลือกว่าอันไหนคนเอาอันไหนไม่คนเอาอันไหนไม่คนเอาก็ทิ้งไปไม่เอามาใส่ใหอันไหนคนเอาก็จดจํามาปฏิบัติได้สิ่งไหนที่เอามาหมายควาว่าเอามาใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป เหมือนเราเลือกของมาทำอาหารของที่เป็นวัตถุดิบเ ย, ะยะอะๆพอเลือกมาเป็นอาหารก็เหลือนิดเดียวที่เขาเลยกคนเลือกเป็นถ้าคนเลือกเป็นก็เอาทุกอย่างก็อาหารก็ไม่ีเป็นอานกินฉันใดก็ดีุตามมยะปัญญานี่คือเกิดปัญญานึกจากเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เอาวางไว้หรือไม่เอา อันนี้คือวิธีการฟังที่เป็นสุตตะวัญญาถ้าไม่ฟังแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสุตะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อหรือในช่วงเย็นนี้ก็เช่เดียวกันนะเราเป็นวันธรรมเสวนะเป็นวันแบ่งปันมาเคยไปรุ่มเข้า รวมร่วมสมุทอลีรีที่ฝรั่งเศสของท่านที่ได้หันประมาณเกือบเดือนทีนวน่วันวันพระทุกวันพระเขาก็จะมานั่งแบ่งปันวันว่าในชีวิตปรจวันท่นนาททนาเขาปฏิบัติทุกวันนะมันชมวาคำว่าปฏิบัติของเขาคือหมายเพราะว่าทำทุกอย่างที่ กิจวัตรประจำวันเพราะว่าทำด้วยกัรปฏิบัติธรรมแล้วตอนเย็นของวันที่15คห้าค่ำเขาก็จะมานั่งเขาเรียกว่านั่งบ่อปันแล้วนั่งส่งเทียนคําว่าส่องเทียนนี่มาถึงชี้โทษตัวเองส่งเทียนเอา เ, เทียนมาส่องเองส่องขาดูว่าวันนี้เราพูดอะไรผิดวันนี้เราคิดอะไรผิดวันนี้เราทําอะไรผิดแล้วก็มาบอกเพื่อนเ่อวันนี้ฉันทาเรื่องนี้ผิดนะฉันขอโทษ ด, ด้วย ที่พูดไปอย่างนั้นที่ทําไปแย้งที่คิดไปอย่างนั้นเขาทําอย่างเนี้ยทำเนี่ยงของพันธิธานเราะนั้นวิธีการของท่านพันธิธานขยายไปทั่วโลกที่เมือไทยเราก็มีสูงใหญ่อยู่ที่กองทัพเขียวมาไปเยี่ยมเมื่อคราวที่แล้วนเ้าเพื่อนกันอยู่ที่นั่นท่านพิจิยาแล้วก็มีชีนีรานิสาที่เป็นหัวหน้าสาาํานักก็วิจักกันดีก็เลยไปเยี่ยมกันเขาก็ สร้างสระขนาดใหญ่แล้มีพระทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งจีนทั้งฝรั่งปร ะ, ประมาณเป็นร้อยกว่าคนก็เขาใช้วิธีนี่แหละสิภเข้ามาก็มานั่งส่งเทียนได้นั่งแบ่งปันในสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เออวันนี้ฉันได้พูดสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ออดีฉันก็แบ่งปันเพื่นทัหลายคพอนทังหลา ย, ลายจะมานมนุษย์นาเขาก็อยูมนุษนาสาธออุวันนี้ฉันตอนนั้นฉันรู้สึก ไม่ชอบหน้าคนนี้เพราะว่าธรรันนี้ไม่ถูกอันนั้นถูกดั้นฉันขอขอโทษด้วยก็ อ, อภัยคนนั้นก็สาธุอังหสนนิเขาก็มานั่งสองเทนนั่งแบบทรอันรรนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเล็กๆน้อยแล้วก็เอามาแก้ไขกันมาให้ผิดข้องหมองใจมให้มาขัด ข้องคุ้มเครื่องใจกันเก็บไว้ในใจมันจะทําให้เป็นบาปเป็นอกุศลลุกลามไปเรื่อยๆแล้วเขาจะทําอะไรเขาก็เออท่านี้ฉันจะทํามันนี้นะเอส่วรว ม, มฉันขอแจ้งในที่คณะสูงให้ทราบว่าฉันจะทําตรงนั้ น, นจะทําตรง น, น, น, รงนี้ไม่จะ่คิดอะไรก็ทำไปเลยที น, นี้เขาเรียกว่าไม่ได้รับอนุญาตจากคณะสูงก็ะจะเป็นปัญหาตามมานะแล้วเรารอยู่ด้วยสังขะคือมันต่างจากระบบ แบบบ้านบ้านเราขี้อยากจะทําอะไรก็ทําเพราะเป็นเรื่องของเราถ้าอยู่แบบส่วนรวมเป็นสังฆะเนี่ยขี้อยากจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องปรึกษาสังฆะคณะสงฆ์ก่อนก็จะผิดพลาดไปน้อยเพราะว่าที่วัดไม่ใช่ที่บ้านเราจะทําอะไรตามใจไม่ได้เนีย่ยต้องปรึกษาสังฆะวันนี้จะให้โยมนุกยุงเป็นคนส่องเทียนแล้วก็แบ่งปันตัวอย่าง พออย่างูยุ่งไปชี่อเมีกามาถ้าไปได้อะไรมาดีๆก็มาแจกเพื่อนเราตัวเองไปทำอะไรไม่เข้าท่าบางคัมาส่องเทียนให้เพื่อนดูอะไรตรงนี้ น, นี่เป็นการแบ่งปันเพราะการแบ่งปันขั้นสูงขึง้นไปในการแบ่งปันและการส่งเทียนก็ยังสาคัญเมเรื่อยๆเป็นการถึงหมาทุกความเข้าหน้าทึงจิตวิญญาณมิสีมิไปเราก็า หมดเวลามาลก็ท่านอาจจะได้หลายคนก็ได้เจาคุณนพยมก่อนจะเป็นยมชาวบ้านมันกนนนไ็ได้ที่ว่าทำวัสดุทุกวันไม่ได้เราไม่ได้เราก็ต้องรายงานเหมือนกันไม่ในชะ่มานั่งสักตั ว, วฟังไปวันวันแล้วจําอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ได้นกะ็ไม่ก้าวหน้าเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ปัญญานะ <c oughs> เออเออขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยขอถว า, ายความเคารพพระอาจารย์และก็พระพิสุกสงฆ์ทุกรูาสวัสดีแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนค่ะก็ก็ปฏิบัติธรรมมาก็ประมาณเกือบเกือบ8ปีแล้ว แล้วก็ไม่เคยไม่เคยหยุดสักวันน่นแะแต่ก็ยังต้องฝึกตนต่อไปอีกมาก เ, าเพราะว่าไม่มีใครสำรวจเราได้เท่ากับตัวเราเองก็ การปฏิบัติธรรมก็คือการมาศึกษารู้กายรู้ใจของตัวเองที่จะทำอย่างไรที่จะให้กิเลสมันลดมันละมันน้อยลงไปตามลำดับนั่นแหละก็บางอย่างก็ลดได้เยอะ บางอย่างก็ยังเหลืออยู่อีกมากก็คงต้องฝึกตัวเองต่อไปอีกก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงจะทำไปจนลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละก็ตั้งจิตอธิษฐานตัวเองไว้แบบนี้มานานแล้วจริงๆแล้ว ก่อนไปอเมริกาก็หลวงพ่อก็บอกก่อนหน้านั้นหลายปีแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปเพราะว่าคิดว่าสติตัวเองยังไม่รูปนามยังไม่ชัดแต่พอพอมาถึงมาถึงคำว่าจเจริญสติได้ตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจไปเพื่อที่จะ เ, เรียนรู้กิเลส เหมือนหลวงพ่อคาเขียนว่า อ, าอย่าปล่อยกิเลสให้ลอยนวลอย่างอย่างความคิดโยมก็คิดว่าขันห้าของตัวเองนี่มันมันน่ากลัวมันหนักทีนี้ไปเห็นขันห้าของคนอื่นก็โออมันหนักกว่าอีกถ้าเราจะเอามามายึดมั่นถือมั่น ก็คืออันไหนละวางได้ก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละที่มันชัดที่จะช่วยให้เราทุกน้อยลงเอ่อแล้วก็รู้ว่าณขณะนี้ก็ทุกน้อยลงบ้างเอ่ออย่างการไปเอ่อไปข้างนอก คนที่กระทบแล้วก็ดินฟ้าอากาศาดินฟ้าอากาศทางปัจจัย 4, เอ่มีมากแต่ก็มันกระทบน้อยกระทบน้อยกว่าเมื่ออื่นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่มันจะ จะทนไม่ค่อยได้ที่ที่ อ, อมันจะเกิดความพอใจความไม่พอใจอยู่มากในการที่เ อ, อเราพูดน้อยพูดน้อยแล้วก็มีก็มีบางเรื่องที่มีการที่ว่าพูดถึงบุคคลที่สามที่คนอื่นจะพูดถึง บุคคลที่สามเยอะมากถ้าในภาษาชาวบ้านก็คงเรียกว่าการนินทาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเห็นอรูอ้ความคิดชัดๆก็จะเห็นว่ากิเนสตรงนี้ของคนส่วนใหญ่จะเมงลูนามคนอื่นไม่ใลบมาก อ, อแต่ ในการศึกษาลูกนามก็จะรู้เพิ่มขึ้นว่าถ้าพอใจคนไหนความพอใจคนไหนถึงแม่ถึงแม้ว่า เ, เขาทำไม่ดีแต่ฉันก็พอใจที่จะรับความไม่ดีของเขาได้แต่ถ้าเราไม่ชอบคนนี้ไม่พอใจคนนี้ ถึงเขาจะทำดีด้วยขนาดไหนมันก็ยังทำให้เขาไม่พอใจเรื่งนามนี้อยู่ดีเหมือนมันเป็นสัจธรรมที่ที่ถ้าทุกคนไม่เจอตรงนี้ไม่เจอการที่เราจะต้องมีสติสำมปับชัญญะให้มากๆก็คงจะจะละตัวนี้ได้มากก็ไม่ใช่นี้หลองพอ เอออย่างอย่างวันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ยินหลวงพ่อประกาศว่าให้ให้ฉันเ อ, อข้าในโรงฉันแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไม่ชิดจะขาดคำสั่งอะไรเออตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาความอ่อนน้อมถํามตัวมันจะมีมากขึ้นมากการที่จะ ขอโทษใครสักคนเราทําได้ง่ายมากทีนี้การขอโทษคนนี้มันก็จะมีอยู่สอนลักษณะคือการขอโทษที่เพื่อให้ตัวเองสบายใจเมื่อก่อนจะเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้มันขอโทษด้วยด้วยขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆในความผิดหรือหรือเราไม่ผิดก็ขอโทษเพื่อให้เขาสบายใจ อ, อ, อีกอย่างหนึ่งที่ เออก็ฟันหลวงพ่อเอาเรื่องลงฉันการฉันอาหาไม่หลงครัวเออเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ฉันอาหารในหลวงครัวค่ะก็คือจะตากลงไปไปก็เอ่อแม่ครัวจะรู้ว่าเออจะลงไปกินข้างล่างกุดียวพว่อที่จะรู้สึกตัวให้มันชัดก็แค่นั้นนั่นแหละ ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่้ก็ความจริงจากบ้านมานานเนาะตั้งแต่เดือนอเดือนกุมภาพัานธ์ <c oughs> จนพ่อจางเกษมบ้านมนลืมบ้านแล้วเนะี <c oughs> ก็เลย ตั้งใจจะกลับบ้านาจริงๆแล้วก็จะกลับดวลแม่นั่นนี่เดือนแม่เพราะว่ า, าคุณหนุยจะขึ้นมหาช่วงวันแม่แล้วจ ะ, จะกลับพร้อมการจะจะชวนเพื่อนทเที่ยบ้านก็มีคนจะไปเที่ยวด้วยเอาเรถกัมปนาไปแล้วค่ะพอดีพอดีพี่สาวก็บอกใ ห, ให้มาช่วงที่ฝนตกน้อยหน่อยนะพอดีมี มีเรื่องที่บ้านว่าหลานจะกลับไปเจอกันไปจอยกันที่บ้านก็เลยก็เลยตัดสินใจกลับแล้วกเ็เรียนหลวงพ่อว่าออการซื้อที่ดินนะมันเกี่ยวหรือเปล่าหลวงพ่อนั่นแหละถ้าถ้าเราไปซื้อตามถึงแม้เป็นโฉนดแดงนี่หลวงพ่อถ้าเราไปไปไปดูตามที่ที่สมมติว่าเขาเขียนมาหกไล่ล้วก็คิดราคาตามไร่ไล่ทีนี้ พอที่ดินเขาแจ้งมาที่ดินของเราหายไปครึ่งหนึ่งหลวงพ่อขนาดซื้อเสร็จแล้วค่อยไปลังวัดหลวงพ่อเออมันหายไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าได้ทุนบุญอย่างยิ่งใหญ่เลยพอาพระเวสสันดรนี่ให้ทั้งแผ่นดินเลยนะ <c oughs> <c oughs> ว่าเราแค่นิดเดียวเนี่ยแทบไม่ได้พระเวสสันดรพระพุทธเจ้านี่ให้ไปทั้งแผ่นดินเลยเห็นไหมของกันให้ที่ยิ่งใหญ่ มันก็เป็นความรู้แบบหนึ่งที่หลวงพ่อคดีไปก็มีคนอื่นบอกว่าเวลาซื้อที่ดินต้องดูมันเป็นปุ่มและนะเป็นปุ่มเนละยังก็ไม่เคยเข้าก็เลยบอกให้กลับไปภายในเดือนหนึ่งอนี้ก็ขอเรียนเท่านี้จ้ะค่ะเราเดาดถึงเรื่องกัน แบ่งปันได้การส่องเทียนในความหมายหลวงพ่อก็คือว่าเราได้พัฒนาความเข้าหน้าตามปฏิบัติเราบ้างบอกชัดเจนว่าอันนี้ได้เท่านี้และอันนี้เท่านี้มันเหลือนี้เท่านี้ส่วนที่มันเหลือ huh นี่ก็คือตัวนี้ที่ยังทําไม่ได้คือตัวนี้อะไรนี่ก็เรียกว่าเป็นการส่องเทียนและการแบ่งทำแบ่งปันในเรื่องของการ ขอโทษให้อภัยขออภัยคนอเมรการนี่ติดปากอ่ะ I'm sorry excuse me ขออภัยนะครั I'm sorry ขอโทษนะครับติดปากเขาเลยนะแต่คนไทยนี่โหพอจะได้ขอโทษขออภัยนี่ต้องไดกราบได้การต้องได้บังคับกันนะเนี่ย ต, ตัวตนของเรามันใหญ่มากคันเขานีติดปากเลยนะใช่มทั้ยงยม I'm sorry อาจารย์เขอบคุณครับ Excuse me ขออภัยนะครับขออภัยนะครับติดปากเลยแหละ น, นี่เป็นธรรมเนียมเลยงั้นเองคนไทยเราบนทีวีขึ้นลงขึ้นศาลบังคับมันขอให้โทษขออภัยพันนั่งก็มีนะบางท้การบังคับมาคุณต้องขอโทษนะอะไรเนะนี่คือคนไทยเราประเทศมันเล็กแต่อัตตามันใหญ่แล้วเขาเนี่ประเทศใหญ่แต่อัตตาเขาเล็กก็ทําให้เขาเจริญกว่าเราอัตตาไม่ยิ่งน้อยเท่าไหร่นะ เราก็จะเหลือง ม, มากเท่านั้นอาตายิ่งใหญ่เท่าไหรแเราก็เราก็ก<อ>ตกต่ํามากเท่านั้นตัวมันใหญ่นะี่นะเขาเรียกว่าอืงอางในกล้าวครอบตรงนั้ น, น, นมันก็มีว่าโลกทั้งโลกมันก็อยู่บนคนเดียวเนะี่ยแต่คนยิ่โลกมันกว้างใหญ่กว่าศาลดังนั้นการที่เราได้ไปเห็นที่มากมายเนี่ยตัวเราจะเล็กเล็กเล็ก เ, กเกแต่ถ้าเราอยู่กับพี่ตัวเราจะใหญ่ๆห่ใขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระทําไมท่านออกพุทโธไปนู่นไปนีปนน่นะ เพื่อที่ไปสลายอัตตามาเองถ้าอยู่ตรงนึงแถบไไปไหนเลยอัตตาเมาต้องใหญ่กว่า น, นี้นะเขาหาไม่ได้จะต้องผ่านเลขาผ่านหน้าห้องผ่านพร ะ, ะอะไรมอบหมายอันนี้มาก็ไปเพื่อสลายอัตตาเพราะสลายอัตตาแล้วรู้สึกว่าเออเรามีแผ่นดินที่อยู่กว้างขึ้นเยอะแยะเลยเนะี่ย แต่าอัตาราใหญ่นี่เราไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ ก, น ก, าาก็ไม่ได้แต่อัตาราเล็กก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเองก็อันนี้เป็นข้อดีนะเอาต่อไปคนที่จะสอ่องเทียนแบ่งธรรมต่อไปก็เอามาไม่ให้ไม่ชิหนูม่ชี้หนูประท่องทียญุตจักมาหลายปีกลับมาต้อคงมีอะไรดีๆให้เราได้ได้ศึกษาได้แบ่งปันให้พวกเรา เพราะว่าูปฏิบัติไปไหนแล้วก็ได้จะได้แต่สิ่งที่ดีๆมาแบ่งปันกันขอนอบขอนอบน้อมแด่พระราชน้าใจกาบนรมสการหลวงพ่อและคณะสงฆ์ทุกๆรูปขอเจริญในธรรม คณะญาติธรรมทุกทุกท่านไม่ได้จับไม้มานัก <laughs> ไม่ได้จับไม้มาหลายปีตั้งแต่ออกไปไม่เคยชัอปไม้ <laughs> อยู่แต่ในครัวก็ไปไหล่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีห้าห้าสิบเจ็ดที่ออกจากวัดแพร่แสงเทียนเดือนพฤษภา ไม่ได้ตั้งใจไปนานกะว่าจะไปจะไปบ้านเสร็จแล้วพอไปแล้วก็ไปอยู่ที่ท่านพันสิบกว่าวันไปกับพี่เอปีก้ก็พาไปแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเยาเราอยากอยู่แบบอิสระที่มันไม่มีภาระอะไรมากได้อยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยปีนั้นพอดีติดต่อพี่ปู่ จะไปอยู่อีกที่หนึ่งของสายหลวงพ่ออุทยัยพอดีกลุ่มญาติธรรมพี่โป๋เขาไปสร้างกุฏิเอาไว้ก็คุยกันอยากไปอยู่ที่ใครไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่รู้จักใครจกไปเรียนรู้ตัวเองในที่เราไม่มีใครรู้จักแล้วเราไปอยู่กับเขาได้ยังไงพอดีพี่โปบอกว่าไปอุบลไหมไปบ้านหนูไปวัดดอนธาตุปีนั้นปีห้าห้าเจ็ดนั้นอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อทองก่อนปีห้าเจ็ดนั้นไปจําพรรษาอยู่ที่วังน้ําเขียวพอดีไปคุยกับพี่ป๋วกิ้ป๋วก็เลยแนะนําไปหลวงพ่อทองก่อนไหมไปวังน้ําเขียวก็เลยเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อทองปีนั้นจําพรรษาอยู่ที่วังน้ําเขียวอยู่คนเดียวเป็นแม่ซีอยู่คนเดีย ว, แ, ยยวแล้วก็มีพระสามลูปก็ไปดูแลหลวงพอ่อก็อยู่ที่นั่นรับภาระาทุกอย่างหนีงานจากวัดพรแสเงเทียนก็ไปรับตรงนั้นหนักมาก แต่ก็คิดว่าในเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วเราต้องสู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องยอมรับแล้วก็เพราะเราตั้งใจไปช่วยหลวงพ่อด้วยก็อยู่ที่นั่นก็ตั้งใจว่าอยู่สักปีหนึ่งอยู่ที่วังน้ำเขียวอยู่ปีหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อท่านกไ็ไปมามาระหว่างไปไต้หวันบ้างกรุงเทพบ้างตัวเองก็บางครั้งก็ต้องเข้าไปหาหมอในกรุงเทพ พออยู่ที่นั่นได้ปีหนึ่งก็เลยบอกพี่โปว่าถึงเวลาแล้วเราต้องออกบ้างอะไรเงี้เปลี่ยนสถานที่พอหลวงพ่อมาพูดคํานี้วะเราไปหลายที่ก็ดีเราอยู่ได้ทุกที่มันก็เลยนึกถึงตัวเองที่ว่าไปหลายที่อยู่ได้ทุกที่ไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะให้อยู่แต่เราไม่อยู่เราอยู่พอสมควรเราก็จะออกพอดีก็เลยออกหลังจากออกไหลวงพ่อก็ ไปอุบล น, นี้ไปวัดที่อุบลก็ไปอยู่อุบล น, นี่พอดีได้ข้อมูลบางอย่างจากพี่โปไปแล้วก็พ่อแม่พี่โป้เขาก็ไปคนบ้านบ้านนั้นที่อำเภอพิบูรลเขาก็ให้ข้อมูลว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นอย่าไปเข้าครัวถ้าเข้าครัวแล้วจะอยู่ยากนี่ก่อ วัดดอนทาตหลวงพ่อวัดดอนทาตุม่ค่ะไม่ใช่หลวงพ่อสมบูรณ์เป็นพระอาจารย์สมพงศ์ลูกศิษย์ของหลวงปู่ขานอาจารย์ลายท่านเรียกว่าอาจารย์ลายพอดีวัดดอนทาตุมันมีปัญหาเยอะแล้วก็คณะกรรมการเก่าก็ กินเงินในวัดอะไรเนี้ยพอดีหลวงปู่สวงที่ยอดโสท่านก็เข้าไปบริหารเพราะหลวงปู่สวงนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาสมัยนั้นหลวงปู่สวงอยู่ในปสองที่ท่านเล่าไว้ฟังว่าหลวงปู่เสามาทุดงที่บ้านท่านแล้วท่านก็เป็นเด็กนักเรียนปสองทีนี้ท่านก็เข้าไปจังหันเช้าแล้วหลวงปู่เสาเห็นมีเวลว่าหลวงปู่สวงนี่จะต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีรูปหนึ่งหลวงปู่สวงก็เลยหลวงปู่เสวก็เลยบอกหลวงปู่สวงให้ออกกระถนไปหลัง พ อ, อกระถุนไปล้างหลวงปู่หลวงปู่สวงท่านก็แล้วหลวงปู่เสาก็สอนให้นั่งสมาธิแต่ทีนี้หลวงปู่สวงท่านก็ติดตรงนั้นมาว่าเป็นเป็นบุญกุศลที่หลวงปู่เสาสอนท่านแล้วท่านก็ได้ดได้มาเป็นพระแล้วก็เป็นพระปฏิบัติดีรูปหนึ่งของสายหลวงปู่เสาแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่เข้าครัวก็พอดีแม่พี่โปเข้าไปฝากเอาไว้แล้วก็ก็ไปกราบอาจารย์ อาจารย์ลายท่านก็บอกก็ไปอยู่ที่นั่นก็และหลายอย่างเพราะเราไปอยู่เราไปอยู่ในฐานะเราไม่รู้จักใครแล้วใครก็รู้จักเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็พะดีแม่ชีคนนั้นเขาก็รู้จักกับแม่พิกุลเพราะแม่พิกุลเคยไปอยู่ที่นั่นเคยรู้จักกับหลวงพ่อสมบูรณ์ก็หลวงพ่อก็เคยไปเปิดคอร์สไปเปิดปฏิบัติที่นั่นที่นั่นเขาก็บอกว่าหลวงพ่อไปสอนวิธีการปฏิบัติกับเขาตั้งแต่ปีพศอะไรไม่ทราบที่อาจารย์คุกจิตพาไป พอไปอยู่ที่นั่นไม่เราก็ไม่รู้จักนั่นแร้วเขาก็พาเราไปอยู่กุฏิใกล้ๆกับหลุมขยะเราก็เหม็นภูมิแพ้ก็กำก็เกิดเขาก็โทรมาหาพี่ปู่ว่าอยากย้ายกุฏิไปอยู่กุฏิท้ายสุดก็อพอดีน้องชายพี่น้องเขยพี่ปู่เขาเป็นกรรมการวัดอยู่เขาก็พาเข้าไปเขาก็พาแม่เขาเข้าไปก็ไปขออาจารย์เองไปขอกับอาจารย์อาจารย์ก็ให้ย้ายอาจารย์ก็บอกเลือกตามสบา ย, ยกุฏิไหนก็ได้ที่ อยู่แล้วเราสบายใจก็ไปอยู่ท้ายสุดกุฏิหลังนี่ห่างจากเพื่อนก็เกือบกิโลอ่ะอยู่ที่นั่นมันเป็นป่าต้นไม้ป่าใหญ่มันเป็นป่าป่าที่มันเป็นเกาะวัด น, นั้นมันเป็นเกาะล้อยกวาไล่แล้วก็ในนั้นมีวัดอย่างเดียวไม่มีบ้านคนคนบ้านคนจะอยู่ข้างนอกอ ย, อยู่ในพื้นที่ข้างนอกก็ไปอยู่ที่นั่นแล้ว ก, ก็ทำงาน คือไม่เข้าครัวเราไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็ก็ไปอาสาเขาล้างห้องน้ำอย่างเดียวไปล้างห้องน้ํากับหวาดใบไม้เขาก็ให้เข้าครัวทีแรกเขาก็พวกไม่ชีเนี่ยเขาก็ให้ัวเข้าครัวเราก็บอกเราไม่เข้าเราก็อ้างว่าเราทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งทําไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็เลยไปทํางานห้องน้ําไปอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็พอออกพรรษา พอดีงานกระถิ่นช่วงงานกระถินมันเป็นงานใหญ่เขาก็เลยให้ไปช่วยพอไปช่วยแล้วเราก็ลุมตัวเราทุ่มเทกับการทำงานเราทำได้ทุกอย่างทีนี้เขาก็เรียกเราใช้รถตลอดเลยตั้งแต่นั้นพอออกพรรษาก็อยู่ที่นั่นประมาณสองเดือนก็พอสิ้นปีก็ไปนครพนมอีกไปนครพนมไปบ้านไปบ้านญาติไปบ้านพ่อไปทาบุญหาญาติแล้วก็กะว่าจะไปอยู่ ทางวัดทางสายของหลวงสายวัดป่าสายธรรมยุทธ์เนี่ยจะมีอีกวัดหนึ่งที่เขาเลือกไอ้ที่ทางอำเภอนาเกนะจังหวัดนครพนมแต่พอไปแล้วญาติบอกไม่ต้องไปไหนให้อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่บ้านญาติไปอยู่บ้านญาติพอถึงเดือนกุมภาก็กลับมาวัดดอนธาตุใหม่กลับมาช่วยงานกลับมาช่วยงานปีห้าแปดก็กลับมาช่วยงา น, 58, างานท่าน ปีห้ขึ้นกลับมาช่วยงานพอหลังจากช่วยงานท่านเสร็จเดือนมีนาก็ล่องตายปีห้าเกเดือนมีนาไปบ้านไปบ้านไปทําธุระเสร็จแล้วปีนั้นไปจำพรรษาอยู่ที่สุราษฎร์ไปจําพรรษาอยู่กับพวกลุงศักดิ์ครูเล็กที่สุราษฎร์หลวงพ่อไปอยู่ที่พอดีที่ตรงนั้นเคยไปเปิดคอสมหาลัยเชนเคยไปเปิดคอสเมื่อปี ปีห้าแปปี58าหาแปดมหาลัยเชนคือไปเปิดคอร์สแล้วตรงนั้นมันเป็นบ้านสวนสวนทุเรียนเนื้อที่ประมาณ6 7ไร่เจ้าของสวนเป็นครูแล้วเขาก็ไปเห็นมหาลัยเชนไปเปิดคอร์สเขาก็ไปปฏิบัติ ด, ด้วยทีนี้เขาก็เลยอยากให้ไปเปิดคอร์สที่สวนเขาทุกปีเขาก็เลยปรับพื้นที่สร้างบ้านเขามีบ้านคนงานแต่เขาปรับใหม่ให้เป็นพักได้ก็เลยไปรอบหลังก็ไปเห็นสถานที่เขา ก็เลยขอเขาบอกว่าถ้ามิชีมาอยู่จำบรรษาจะได้ไหมเขาก็บอกว่ายินดีเพราะว่าเขาเองก็จะได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยพีห้าเก้าก็เลยไปจำบรรษาที่นั่นที่ไปอยู่คนเดียวกลางคืนก็นอนคนเดียวแต่มันจะมีบ้านคนอยู่ใกล้ๆแล้วก็กลางวันก็ก็อยู่คนเดียวแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เจ้าของบ้านเขาก็ไปทาสวนบางครั้งคณะญาติธรรมเขาก็มานอนด้วยมาสวดมนต์มาไหว้พระกันคืนสองคืนก็กลับเนี่ย หลังจากออกภาษาปีนั้นก็กลับขึ้นกรุงเทพพอกลับขึ้นกรุงเทพมาออกภาษาเสร็จแล้วกลับไปบ้านกลับไปทำธุระที่บ้านให้แม่เสร็จพอปีปีห้าเก้าก็ปปีก็ขึ้นกรุงเทพขึ้นกรุงเทพก็มางานที่กรุงเทพแล้วก็หลวงพ่อทองก็เรียกกลุ่มคณะเขาก็เรียกไปที่ท่านมหาลายเชนที่เรียกว่าจะ จะไปอยู่ท่านมหาลาเชนปีเนี้จะที่แรกกะว่าจะไปจํำราษาท่านมหาลาเชนแต่ว่าพอดีท่านสร้างกุฏิเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีเพื่อนอยู่เพราะไม่มีเพื่อนอยู่เราก็เลยบอกว่าคิดในใจก็คุยกับมหาลาเชนตั้งนานแล้วว่าเอออยากกลับไปช่วยหลวงพ่อสักพักหนึ่งช่วงที่ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าหลวงพ่อขอมาตั้งนานหลายปีแล้วปฏิเสธหลวงพ่อมาตลอดแต่เรามีความรู้สึกว่า อยากไปอยากไปสร้างกุศลเพราะว่าเราก็ไปกับหลวงพ่อทองแล้วพอดีกุศลตัวนี้มันอาจจะช่วยเราเรื่องการปฏิบัติพอมาหาทีแรกจะไปจำบัรสาวบอกไม่มีเพื่อนก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนบอกว่าขึ้นเหนือก่อนขึ้นเหนือก่อนไปช่วยหลวงพ่อก่อนสักพักหนึ่ ง, งแล้วก็ก็เลยตัดสินใจมามะจำบัญสาที่นี่เพราะคิดว่าส่วนหนึ่งจิตใจที่ออกไปต่อสู้ ออปที่เราไปที่ต่างๆอย่างไปอยู่วัดดอนธาตุนี่อาจารย์จะาอาวาไม่ถามเรื่องปฏิบัติท่านให้ทำเองแล้วก็ท่านให้โอกาสหมายถึงว่าตอนเย็นจะสวดมนต์ห้ามงเย็นสวดเสร็จหกโมงก็แยกแยกแย้ายกลับที่พักเราก็ปฏิบัติของเราเองแล้วก็ไปอยู่ที่วังน้ำเขียวก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้ เน้นเรื่องการทำในรูปแบบเราก็ทำเกี่ยกับงานเจส่วนใหญ่พอทำกับงานเ้วทำในรูปแบบบ้างนี่ค่ะเราก็เน้นกับการทำงานแล้วก็เวลาเปิดคอร์ดเปิดอะไรเราก็เป็นแม่ครัวมันที่ออกไปจากแพร่ความรู้สึกว่ามันเครียดมากการปฏิบัติเรา เราก็ยังไม่ได้หลักที่นั่นพอเราก็ทำงานรู้สึกว่าทากับงานแล้วบางทีเราอยากอยู่ส่วนตัวเราอยากพักอยู่ส่วนตัวมันก็ไม่มีเวลาพอการออกไปนี่มันก็ได้เห็นได้คลี่คลายอารมณ์การที่เราไปอยู่คนเดียวบ้างทำงานบ้างอยู่กับหมู่คณะบ้างทำให้เราเห็นการหนักการผ่อนคลายของความรู้สึกของจิตใจที่มันคลี่คลายเราก็เลยว่าใจมันก็จะไม่หนักมากเหมือนเมื่อกอ่อน แล้วก็พอเราจิตใจเราคิดคายรู้สึกว่าเราถูกกระทบอารมณ์บางครั้งเราไม่เครียดแล้วก็การทํางานเราก็อาศัยว่าเฝ้าดูตัวเองบางครั้งมันก็รีบเร่งกับการทํางานแต่เราก็เห็นเราก็เห็นความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งถึงเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบเราทํางานเราก็ไม่ได้ทิ้งตัวเองเราก็เฝ้าดูตัวเองแล้วก็เรื่อง หมู่คณะญาติธรรมก็ส่วนมากก็จะเป็นคณะญาติธรรมที่เราปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนอย่างไปอยู่วัดป่าเราก็มีกลุ่มญาติธรรมที่ทางยะโสก็มีนะที่เขาไปเงี้ยบางครั้งเราก็เอาเทปไปไปฟังเทปบ้างค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นไปเจอพระที่เขาปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาสุริยาเขาเขาเป็นโยม เขาเป็นโยมตอนเขาเป็นโยมเขาไปปฏิบัติกับหลวงตาแล้วเขาก็มาอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ถามไม่ชีว่าอยู่ที่ไหนเพราะไม่ชีบอกอเขาบอกดีไม่ชีเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติมากับหลวงตาสุริยาอยู่แต่ตอนเขาบวชเขาต้องมาหยดสายธรรมยุทเพราะว่าเขาแม่เขาอุปถักพระสายธรรมยุทธตลอดแต่ว่าเวลาปฏิบัติเขาก็เอาแนวของสายของ ใส่ปัญญาเข้าไปเขาบอกว่าเขาทำเองส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาเป็นเาเป็นโยมอุปถากสมัยนั้นเขาเป็นโยมอุปถ า, า, ากอาจารย์หมอที่ถูกยิงตายในตอนนี้เขาก็ไปจำปัญษายุทธิที่วัดนั้นอยู่แม่เขาไปอุปถากหลวงพ่อสมชายบ้านเขาอยู่ระยองอ่ะโยมคนพระคนเนี้พระ่มเนี้ค่ะเปิมว่าไปที่ต่างๆไม่มีการพัฒนาตนเอง้วยวิธีใดบ้างอยอาจารย์นี้ ไดอะไรจะทําบ้างการพัฒนาตนเองอยังไม่เล่าจุดนี้เลยยังยังไปอยู่กับหลวงพอง่อทองนะจำพรรษาแรกกับหลวงพ่อทองเลยเหมือนเราเข้าไปแบกภาระาในวัดทั้งหมดเพราะหลวงพ่อทองนี่ใสหลวงพ่อกรูนท่านไม่ค่อยชอบแก้ปัญหาเราเข้าไปเราก็เห็นนี่นั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อ ท่านก็บอกว่าที่นุ้จัดการสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องอาหารเรื่องอะไรนี้เราก็เคลียร์แต่เรื่องงานนั้นบอกว่าหลวงพ่อไม่ชีไม่ได้ไปแบกสวนสติมาทั้งสวนไม่ชีดูแลเรื่องอาหารการกินทางวิมศาสตร์ได้แต่เรื่องปัญหานี่หลวงพ่อต้องไปเคลียร์ลูกศิษย์หลวงพ่อต้องไปนั่นที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อท่านก็อย่างว่าท่านไม่พูดอะไรเลยนะหลวงพ่อทองเนี่ท่านจะไม่สอนเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านจะไม่ค่อยสอน ไปอยู่ว่าโดนทาามันได้อิสระหลวงพอ่อได้อิสระตนที่ว่ากลางคืนเราจะอยู่คนเดียวมันอยู่ในป่าแล้วก็กุฏิมันก็จะห่างกันเราจะเหมือนก็อยู่ในป่ามันเป็นสถานที่ศัพทยะแล้วก็เราก็พอใจในการที่ป่าตรงนั้นทำให้ใจเราแบบมันก็ว่าเราไม่เราอยู่ส่วนตัวแล้วใจเราคลายหลวงพอ่อมันไม่หนักหน่วงมันไม่หนักหน่วงตรงที่ว่ากลางคืนเราก็เดินจงกรมโดยที่เราไม่ได้ไอ ตามไฟเองเราชอบปิดไฟแล้วเดินด้วยใช้แสงเทียนอะไรเงี้ยเราไปเห็นธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าเราเราได้ธรรมชาติตรงนั้นใจเราขี้คลายไม่นักหน่วงแล้วก็แต่อาจารย์ท่านจะไม่พูดเลยเรื่องปฏิบัติท่านจะไม่สอนเรื่องปฏิบัติเลยท่านบอกว่าโตๆกันแล้วรู้ ก, กันเองก็ทําเอาอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่ไปอยู่ปากใต้แม่ชีไปอยู่คนเดียวแม่ชีก็ อาหารเราก็หงหาญาติทำเราก็ซื้อเข้าไปนะคะเราก็ทําความเพียรของเรากลางวันเราก็ปฏิบัติอย่างก็คือเราก็ปฏิบัติง่วงมาเราก็นอนอะไรอย่างเงี้ยสองทุ่มสามทุ่เราก็พักอะไรอย่างเงี้ยตีสามตีสี่เราก็ตื่นมาเดินจงกลมของเราบางครั้งมันก็เห็นอาการที่ว่าจิตมันจะตกไม่ใช่จะติดอารมณ์ตัวหนึ่งที่ ท, ที่ที่มันแก้ไขตัวเองไม่ได้ที่ถึงต้องออกจากแพร่เพราะว่ามันจะติดอารมณ์เหมือนกับว่าเข้าไป เข้าไปเพ่งตัวเองเอาไว้เข้าไปกดตัวเองเอาไว้หลวงพ่อแต่เราดูภายนอกเหมือนเราเป็นคนปลดปล่อยแต่ภายในมันเหมือนถูกบังคับเอาไว้ทีนี้พอเราไปอยู่ที่นั่นเราเหมือนกับเราไม่มีใครเราก็ปล่อยปล่อยแบบอิสระของเราอย่างเงี้ยพอปล่อยเราอาศัยข้างนอกถูกปล่อยก่อนแล้วเราก็ค่อยคลายตัวข้างในค่ะเราอาศัยเวลาคลายตัวเองไปอยู่ก็มันก็คลายไม่หมดแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ทํางานหนักทั้งจิต หนักทั้งงานข้างนอกแต่อาศัยความอมดทนแล้วว่าเราต้องทนไปก่อนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้งานก็ดูเหมือนหนักแต่ว่าใจที่เขามันหนักข้างในอะ่ะมันน้อยกว่าเมื่อก่อนมันก็เลยทํางานแบบแบบสบายใจกว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อบางทีมันถูกกระทบะถุกอะไรเราก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยมันไม่หนักอย่างอย่างก่อนมานี่ก็ไปอยู่วัดสนามในไปอยู่วัดสนามในนี่เป็นอยู่ที่ในโซนกรุงเทพนะ มันมันเป็นอะไรที่มันไม่สบายะเหมือนที่เราเคยอยู่วัดป่าแต่เราก็ควบคุมตัวเองด้วยการทํางานเรางานอย่างเดียวค่ะคนอื่นทําอะไรไม่ทําอะไรเราก็ทําทํำทำทำําของเราไปถึงเวลาว่างเราก็ไปเดินจงกรมตอนเช้าเราก็ทําว่าสวดมนต์ตอนเย็นเราก็เข้าทํากิจกรรมเข้อทุกข์ยางแต่ว่าเวลาว่างเราก็ทํางานมีอยู่วางหนึ่งเดินจงกรมไปตอนเย็นเดินเดินไปมัน ใจมันก็หลุดออกจากที่เราเคยเคยไปจดจ่อเองนะมันก็หลุดออกมามันก็หลุดออกมามันก็เห็นว่าอ๋อมันหลุดออกมามันมันเป็นแบบนี้เนะอะไรอย่างนี้เรามาลุกไกรล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่เข้าไปจดจ่อมันเมื่อก่อนแต่มันก็เป็นแค่นั้นมันก็กลับเข้าใหม่ค่ะหลวงพ่อพอกลับเข้าใหม่ไม่อยู่วันหนึ่งก็มานั่งสร้างจังหวะอีกมนั่งสร้างจังหวะนี้มันมันก็บอกมันก็เห็นนะมันก็บอกตัเองว่าเฮ้ย นี่มันเข้าไปอยู่ข้างในมากไปนะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเห็นมันก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันเข้าไปจดจ่อมากเกินไปนะมันก็คลายตัวของมันออกมาความรู้สึกของสภาวะความโลภข้างในมันจะคลายตัวของมันใจมันก็จะเบาขึ้นมาแล้วก็นั่งสร้างจังหวะของเราปกติเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะมันก็บอกอ๋อมันเห็นสภาวะอารมณ์ได้ทุกเวลาถ้าเราปฏิบัติ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้ามพ้นหมดแต่มันก็เห็นที่การเปลี่ยนแปลงของสภาวะความรู้สึกนะหลวงพ่อกับเวลาที่เราไปสืบหากับผลที่ได้นี่ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเท่าไหร่นะมันก็ก็ยังดีกว่าอยู่กับที่แต่พุทยาท่านจัดไว้อย่างนี้ได้ว่าเราอยู่ที่ใดก็ตามถ้าไม่เห็นความก้าวหน้าของกปฏิบัติที่ชัดเจน อย่าอยู่นานเสียเวลาแต่ถ้าจะสบายขนาดไหนว่าตามแต่ถ้าเราอยู่ที่ใดเห็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติดีชัดเจนแม้ที่ตรงนั้นจะลําบากสับปันใดก็ให้อยู่ถ้าเราเอาความก้าวหน้างกับปฏิบัติเป็นตัววัดนะลำบากกันอยู่แล้วไม่อยู่นะมันจะอยู่ที่ไหนนานหรือไม่นานก็ไม่สำคัญสําคัญว่าอยู่ตรงนั้นก้าวหน้าไหมถ้าไม่ก้าวหน้าอย่าเสียเวลาอยู่ พรมันหมายถึงวิชีวิภานไปแล้วแล้วคืนไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อก็เหมือ น, นกันออกจากหลวงพ่อเดียนแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อทําเขีย น, ไ ป, ย น, นไปอยู่หลวงพ่อบุญธรรมไปอยู่หลวงพ่อทองเจะอยู่ความก้าวหน้าคนไหนที่อยู่แล้วเห็นความก้าวหน้าจะอยู่คนนั้นนานหน่อยจะอยู่อาจารย์ทองนี่สันที่สุด <c oughs> เห็นจนตัวน้วอ่ก้าวหน้าเลยนะ แต่อยู่ขนมพ่อของเขียนของพรอมุนธรรมงพ่อทองเนี่ยอยู่ได้นานหลวงพ่เทียนนี่อยู่นานเกือบสิปีหลงพ่อของเขียนจะหปีของพ่อมุนธรรมหลวงพ่อธรรมนุษยปหะมหาส่วนปกติโคูหาสมาคมเป็นเพื่อ น, นก็เห็นความก้าวหน้าชัดเจนทีนี้พอไปที่ไหนเราสััดได้เนี่ยเฮ้ยตงนี้มันน่าจะก้าวหน้ากริยาณมิตรสถานที่ความีเวกญาติโยมน่าจะก้าวหน้าแล้วก็อยู่ คือสถานที่มันจะบอกเราว่าเออตรงนี้มันมีพลังนะอะไรเนี่ยความกล้าหามันก็เลยว่ามันต้องอดทนอะ่ะแต่สี่สำคัญคือเราต้องขวนขวายเองนะแต่ว่าให้ครูบาอาจารย์มานั่งอบรมสั่งสอนเราไม่ได้คือแต่สถานที่ภูมิเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสปะยะอาว่าสปะยะสําคัญ อาหารสัพเพยอาหารวิตามินไม่ลําบากก็สําคัญแล้วก็บุคลาสัพยะคุณรอบข้างก็สําคัญธรรมะสัพยะยวิชิปฏิบัติก็สําคัญถ้าสี่อย่างนี่มันมีกําลังเท่ากันแต่อยู่ที่นั่นได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้เห็นความก้าวหน้าตลอดเพราะนั่นมาไปหลายๆที่เลยแหงแงงเป็นอย่างนี้เองนะประการสําคัญคือเราจะต้องมีฉันทะและมีความอดทน พอย่าลืมว่าในโลกนี้มัเนเต็มไปด้วยความกดดันและบีบขัน้นไม่ว่าที่ไหนอ่ะแต่ว่าเราจะต้องอดทนดูอาการของจิตนะมีดูข้างนอกนะว่าเรารู้เองหรือว่าอาการของกับเพื่อมของจิตเนี่ยมันมาจากสิ่งอะไรเราแต่ที่ไ้จะไปแก้สิ่งที่มันมากระทบข้างนอกคนนัน้แต่มาแก้ที่จิตเราตรงไหนที่มันมีปัญหาเยอะๆเราจะเห็นจิตเรากระพื่อมแรงเพราะจิตกระเพื่อมเรามาแก้ที่จิตพอแก้ที่จิตมันตกอ๋อหมายเขาว่าตัวนั้น มันมันมันมีพลังดีถ้าเห็นแต่เพื่อนวิจมันแก้ไม่ถูกนะยิบหนี้เลยให้อยู่นานไปจิตเรพังเอันนี่อมีเกณฑ์มีข้อเหมือนกันเพราะแนวความก้าวหน้าเฉไวัยนะนี่เองก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาคือหลังจากที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะพูดกับใครอะไรคือเราไม่คิดว่าเขาเป็นเป็นคนนะคิดเขาว่าเป็นเป็นผู้มีปัญหาอย่างเราแล้วก็คุยกันในฐานะเป็นเขาเรียกอะไรแบบ ทุกปรับสุขกันนะะมันก็เลยไม่มีคนรักคนชัน่งมีแต่คนที่เราจะบคู่ปรับทุกปรับสุขให้ใหญ่กันเท่านั้นเองหลังจากที่เราเข้าใจนะมันก็เลยเราก็มีแต่ที่สัตว์หลายที่เป็นเพื่อนทุกอะ่ะอย่าลืมคํานี้นะคือเราไปไหนเรื่องมีแต่เพื่อนเพื่อนทุกนะเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บได้มันมีเราไม่มีเขามีแต่เพื่อนทุกพอเห็นคนที่เป็นทุกมากๆเนี่ยโอ้ยแจะช่วยคนนี้ได้อย่างไร แต่เห็นคนไหทีไม่เคยทุกข์เลยเออจะได้คนนี้เป็นเพื่อนอย่างไดียวไป ช, วช่วยงานกันในท้องนี้นะอันนี้คือเรามีแต่เพื่อนเห็นคนบางคนหัวมันอ่อนแอจริงเราจะเช่วยเขาได้<ม>ก็หาวิธีอยู่นั่นแหละถ้าช่วยเต็ ม, มที่ไม่ได้แล้วเรื่อกรรมขอคุณไปตั้งกรรมวะ <c oughs> อันนี้คือคือมันสนุนกเลกันถ้าหากว่าถ้าเรายังมีความเป็นเขาเป็นเราเป็นคนอยู่ในใจนะมันจะมันจะทําอะไรา ย, ยากเพามืติคนหลวงพ่อถิพบอกว่า อย่าไปยุ่งกับคนอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอย่าแล้วจะไปติดคนนะอือม่ได้หมายคนอย่างนี่ยคนในความหมายที่เราสาคัญว่าเขาเป็นคนนะแต่ถ้า เ, าเห็นว่าเขาเป็นคนอยู่เนี่ยเราต้องไปติดเขาลักเขาฉังเขาใช่ไหมแต่เห็นเขาเป็นเพื่อนทุกเนี่ยมันมีใจจะช่วยกันแล้วก็พึ่งพากันเท่านั้นเองอันนี้คือในนิยามของที่หลวงพ่อเทีนพูดถึงว่าอย่าไปยุ่งกับคนอย่าไปติดคน ไม่ได้ไม่ได้หมาถึงคนนี้แต่ว่าใจของเราเนี่ยเป็นสคัญมันไปเขาอีกเป็นคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยอย่าไปเอาตรงนั้นแต่มาได้หมายถึงคนข้างนอกนแต่มาความสําคัญของเราที่ว่าศักยญาติที่เราเนี่ตัวนี้สําคัญที่เดียวนะเราจะฝากเอาไว้เอาสักคนดีไหมเอาใครดีเอาครูจีดีกว่านะส่งมาให้ครูจิบ้า <c oughs> งครูจิคนหนึ่งเวลาของพอดี นีวันพระเราก็ามีการส่งทำแบ่งปันกันเลยกันพรสุกราบรอบน้อมพระตนตรัยกราบนมัสการหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์ค่ะ ชื่อจิรพรเมธาบดีค่ะก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปีห้าศูนย์ก็ปีนี้เ็ย่างเขาปีที่สิบปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็มก็ในฐานะคารวาสนะก็ เขาคอะห้าวันแล้วก็หายไปหลายเดือนแล้วก็มาอีกห้าวัน7จวันก็หายไปอีกนะแต่ว่าพอได้ได้กา ร, รยานมิที่ดีเขาก็คือจะตามตัวเราเวลาเราว่างเขาก็จะโทรตามตัวแล้วก็มาแล้วพอตอนหลังก็มาแพทยแสงเทียนนะมาแพทยแสงเทียนก็ ก็หาไปแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติคือเอาหลักอะเอาเอาหลักมันไปก็คือรู้สึกตัวเนี่ยเอาไปปฏิบัติมากมูปแบบเวลาเดินเวลาก้าวที่ไหนที่ไหนนะคะเวลาเคลื่อนเวลาทำงานทำการก็คือใส่ใส่ความรู้สึกไปด้วยค่ก็ก็ความรู้สึกก็เริ่มชัดแต่ว่าเหมือนมันเหมือ น, นกับไปเพ่งมากไ ป, ไปเพ่งมากไปอะไรไหมแล้วพอตอนหลังก็ มีปัญหาการปฏิบัตินะคะที่แบบว่ามันมีข้อสงสัยที่ไม่มีใครตอบคําถามได้ก็เลยหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาหลวพ่อคําเขียนก็ท่านก็ไม่ได้สอนท่านเป็นโรคมะเร็งก็ได้พระอาจารย์ทรงศีลก็ตรงนั้นก็ได้สัมผัสอารมณ์รูปนามนแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบไม่ทราบว่ามันคืออะไรก็ก็ตามพระอาจารย์ ส่งศีลอีกสองคอร์สหลังจากนั้นก็มาเรียนที่มูลนิธิบ้านอารีที่นั่นเขาจะมีครูบาอาจารย์หลายสายมาก็จะไปวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ไปไปรับหลานเลี้ยงหลานนะดีมันพราะตอนนั้นไปอยุธย์นะครับก็ไปดูสายดูจิตแต่ไปมาหมดนะฮะที่เขาว่าดีไปหมุกแต่มันก็ไม่ตอบมันไม่ไม่สามารถตอบคาถามเราได้คือเรารู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยความที่เราอยากรู้ว่าไอ้มันคืออะไรนิพพานคืออะไรความที่อยากจะมัน อยากจะนิพพานเนี่ยอยากจะบรรู้ธรรมเลยนะก็หาคําตอบนะคจนจนได้สุตก้ได้หนังสือหลวงพ่อนะคะก็ก็เลยก็เลยมาหาหลวงพ่อก็มาได้คําตอบจากการปฏิบัติจากการสอนให้ทำแล้วพาธรรมของหลวงพ่อเนี่ยก็ก็ได้คําตอบว่าสิ่งสิ่งที่เราสิ่งที่เราเจอน่ยมันไม่ใช่มันแค่มันแค่ร้านกาแฟข้างทาง นะมันมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราควรจะเดินนะพอพอมาเรียนกับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะชี้เป้าว่าเป้าหมายของเราเนี่ยควรจะทายัางไงแล้วก็วิธีการเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะก็ปฏิบัติตามมาเรื่อยๆนะแล้วพอตอนหลังก็ก็มันก้าวหน้านะนะฮะก็ก็เข้าใจรูปนามเข้าใจนามรูปนี่แล้วก็พัฒนามานันมาเรื่อยแล้วก็ ชีวิตก็เปลี่ยนชีวิตจากที่ว่าเป็นคนขี้โมโหเอาแจ่ใจ ก, ก็ก็เปลี่ยนเป็นคนกลายเป็นคนเรื่อยๆอะไรก็ได้นะชีวิตก็เปลี่ยนไปจากที่ว่าจ ะ, จ, ะจะต้องเป็นผู้ชนะก็ก็ยอมแพ้นะไม่ไม่สู้ใครแล้วตอนนี้ก็คือชีวิตมันพลิกผันเปลี่ยนไปหมดชีวิตก็จะเีืดชี่นะฮจากที่ชอบสะสมก็ไม่สะสมนฮะก็ วิถีชีวิตของคารวาสะะไม่ได้มาไม่ได้ม า, มมานั่งภาวนาต่อเนื่องในเพื่อ ง, งจะมาพรรษานี้เป็นเข้าพรรษาที่สามนะะทีม่ไม่ได้มาปฏิบัติในรูปแบบตามคอร์สที่ไปช่วยหลวงพ่อทำงานนะะี่ค่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะะมีการพัฒนาทางจิตใจมากขึ้นอุปนิสัยก็เปลี่ยนไปนะะเปลี่ยนไปนะ ก็ก็ยังไม่จบอะไรเราเรียนต่อไปเดะค่ะก็ในที่เรามาคุยกันนี้เพื่อให้โอกาสว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเราก้าวหน้าในที่ไม่ได้ก้าวข้างนอกก้าวข้างในเราจะอยู่ที่เดียวแต่จิตของเราก้าวไปข้างในเลย แต่ถ้าเราไม่ก้าวไปข้างในเราจะวิ่งไปข้างนอกทั่วโลกก็ไม่ชื่อว่าก้าวหน้าเพราะข้างในมันไม่ก้าวแต่ถ้าอยู่กับผี่ข้างในมันก้าวไปเรื่อยๆถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงนะทีนี้ความจริงการก้าวหน้าที่แท้จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสถานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ไม่ได้ียวข้องกับเพื่อนนิสายแต่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของเราในชีวิตนี้ สิ่งที่เราต้อการคืออะไรต้องเสตเป้าหมายชัดเจนเลยถ้าจูจๆถามคนบางคนว่าในชีวที่คุณต้องการอะไรบางคนงงเลยนะตอบไม่ถูกนะอย่างจู่ๆถามชิีนัวชีนัวในชีวิตเป้าหมายสุดๆที่ต้องการอะไรตอบทันทีได้ยใช่ไหมตอบทันทีไม่ได้นะแล้วมันแสดงว่าเรากาลังเสกหาอะไรทั้งที่เราเป้าหมายนั้นตอบไม่ได้ทันที เร่อง น, นี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นต้องเซตเป้าหมายแน่นอนแบบว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยให้เป้าหมายเดียวไม่ใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ถ้าไม่ได้อันนี้ก็จะเอาใหม่ใ ม, ม่อันเดียวสุดสุดเนี่ยคือต้องในสิ่งนี้เท่านั้นเนี่ยแล้วสิ่งนี้ต้องทําได้โดยนะไม่ใช่ทําไม่ได้นะเอาสิ่งนี้ก่อ น, นต้องการอะไรเป้าหมายสุงสุดของชีวิต แล้วก็เป็นนักบวชแล้วแค่เขพอแล้วก็ไต้องปฏิบัติแล้วนี่ก็เป็นนักบวชได้แล้วนี่เออนั่นเห็นไหมมันมีเลือกเช้าเป็นมันยังไม่เป็นเป้าหมายสูงสุดอ่าเป็นนักบวชเพื่ออะไรปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อสงบสงบเพื่ออะไรมันก็ตอบไปเร่งไม่จบไงแต่ถ้าเป้าหมายสูงสุดสำหรับหลวงพ่อคือเมื่อทุกอย่างเนี่ย ทำอะไรก็ได้เขาว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจนะแต่กายเนี่ยโอ้โหมันไม่มีไม่มีใครที่ไม่ทุกข์พุที่เจ้ายังทุกข์เลยใช่ไหมยทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายแต่ต้องการความไม่ทุกข์คือใจไม่ทุกข์อ่ะนี่คือเป้าหมายของเราถามว่าปัจจุบันนักเข้ถึงเป้าหมายนะเข้าถึงแล้วแล้วอยู่อยู่แค่นั้นนะไม่เราจะทําให้คนอื่นไม่ทุกข์ต่อไปใช่ไหมทีนี้ระหว่างคนทุกข์กับคนไม่ทุกข์อยู่กับเราอันไหนอันไหนรู้สึกทํางานได้มากกว่า อคนมีทุกข์อยู่ก็ได้กันนนั้ทาอะไรได้ทํากันโดยที่มีทุกข์เลยเนี่ยโอ้โหทำงานได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็หาเพื่อนอย่างนั้นแต่คนไหนที only, to to nah. canal, ่ทุกข์มาอยู่เดี๋ยวปัญหาเรื่องโน้นเดี๋ยวปัญหาเรื่องนี้เยอะแยะไปเราก็กระช้ากับเขาแล้วทีนี้คือเป้าหมายคือไม่ทุกข์ทำอไรก็ได้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจนะเพราะนั้นตลอดเวลาสำรวจใจตัวเองทุกข์หรือเปล่าทุกข์แล้วหยุดอย่าทำทำไปทาไปทําไปทำไปทุกข์ไห ร่างกายทุกอาร่างกายทุกดีแล้วอย่าให้มันสบายร่างกายนีเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าร่างกายสบายเราจะ อ, อ่อนแอถ้าร่างกายไม่สบายเราจะเข้มแข็ ง, ขงเพราะอะไรเหมือนกับผ้าเนี่ยถ้ามันเปียกใส่สบายไหมไม่สบายเอาไรทำยังไงให้มันใส่สบายเอาไปตากเอาไปโอวเพรมันแห้งใช่ไหมเอาไปตากโอให้งต้องตากแดดใช่ไหม สามแบบผ้าสบายไม่าตปลกแดดเนื้อดิบกินได้ไหมไม่ได้ไม่สุกกินได้ไหมทีเนื้อจะเปลี่ยนเนื้อดิบให้เป็นเสุกทำไงต้องเอาไปทําให้มันทุก <c oughs> ต้องเอาไปเผาไปต้มไปอะไรให้มันร้อนที่สุดมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้อ่าข้าวมันก็เนื้นอหุงกินได้ไหมไม่ได้ถ้าหุงแล้วกินได้จริงไหมแล้วเปลี่ยนข้าวดิบให้เป็นข้าวสุกทําไง ต้องทําให้มันทุกข์ถ้ามันไม่ทุกข์มันเขา้ากินเข้าสูงไม่ได้เ อ, อทุกข์มันเข้ระเบิดเผาไปเติมทุกขี่สุดนะนดเนี่ยรีบหยินมาได้ใช่ไหมนี่คือหลักธรรมชาธรรมชาติมากเลยร่างกายเนี่ยถ้าทําให้มันสบายมันยิ่งอ่อนแอทั้งร่างกายได้จีใจนะจะไม่ไม่ทุกข์ถึงขนาดทรมานตัวเองนะคําว่าทรมานตัวเองหมายถึงจิตใช่ไหมแต่กายเนี่ยมันไม่ทรมานเพรมันทุกข์ตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยสมเปรย มันทุกข์ของมันนแต่ถ้าไปทำให้มันสูงผิดธรรมชาติของมันมันทุกข์มันถูกต้องธรรมชาติทั้งมันแล้วะทุกวันนี้คนเป็นทุกข์มากเพราะม่เสแสร้นหาความสุขแต่คนยอมรับความทุกข์เนี่ยคนนั้นก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะว่าเขาอยู่กับมันได้ไงเขาอยู่กับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นบางคนขวัญยังอยู่สูงไม่เป็นนะใช่ฉันอยู่สูงไม่เป็นเลยถ้าฉันอยู่สุงไปฉันจะไม่สุงนะเน่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ นเหมือนกันนะเป้าหมายคุณหลวงพ่อไม่ทุกคือใจไม่ทุกแหละทําอะไรก็ได้ที่ใจไม่ทุกพันคือสนุกไปกระทุกกันเนี่ยเห็นคนที่เขาทํางานไปทุกข์ก็อยากจะทุกข์กับเขาทํางานไปเขาได้ทั้งวันหนึ่งว่าตากแดดตากฝนเขาได้ทั้งวันเพราะอะไรมันได้เห็นทุกข์อ่ะถ้าถามเราไปอย่งเงี้ยจะทาให้ใจเรามันขึ้นแข็งขึ้นอะไรกระทุกกระทุกมะไบีบคั้นใจไม่เป็นไรเลยเพราะมันอยู่กระทุกเส้นนี่ที่จะมันจะ แข่งได้เป็นนี่เนี่ยต้องทาไงต้องทำให้มันทุกข์ใช่ไหมคือไปเผาไฟจนมันแดงเงี้ยถ้ามีถ้าหลืไม่ผ่านไฟนะี่มันจะแข็งไห ม, มนี่ไม่แข็งเหมือนกันหลักการหลักธรรมชาติธรรมดาสากลมากๆเลยแต่ทําไมเราคิดไม่ถึงมนันแปลกหรือเมือไหร่นะนปฏิบัติท่องสอนด้ได้ความสุขยิ่งสุขยิ่งอ่อนแอสอนด้วยความสงบเอาไปทำไมความสุบ หลวงพ่อเทีบอกความสมบก็เป็นอุปสยรักด์นะฮะเพราะอะไรเพราะมีคู่ของมันคือความไม่สงบอ่านะแต่การต้องการอยากจะรู้ความไม่สุขมันมาจากไหนนั่นวะและความสุขมันมาจากไหนต้องการอยากจะรู้แค่นั้นเลยนะัวเพราะถ้ารู้ต้นเหตุมาแล้วเราจะข้ามมันได้เพนะราะฉะนั้นอันนี้ก็สาหรับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปพาพระไปเปลี่ยนชุดที่ดู่ หลวงพ่อเขาจะอยู่ที่นั่นแต่ว่าจะให้หลวงตาลักษ์กับท่านต่องกลับมาหลวงพ่อเขจะอยู่เป็นคนท่านอู่กับท่านตั้งสําหรับญาติโยมถ้าใครจะไปก็ไปพักที่แม่พิกลให้เอารถเก๋งคันนี้ไปไม่เกินสี่คนแต่สําหรับหลวงพ่อจะเอาอาจารย์ยึปไปส่งสามองค์ก็ตกลงกับเด็กแล้วกันใครจะไปแต่ว่าจะขับรถได้ด้วยนะ เจะไปเนะนี่ยก็เท่านี้พอให้โอกาสถ้าคุณลูกยุงไม่ไม่ได้ไปชีกุ้งเอาชีพึ่งญาติเป็นเจ้าภาพไปสร้างห้องน้ําไว้บนห้่นเสือกให้สตางหลวงพ่อมาหงพอยังไม่ได้เปิดดูว่าเป็นตังเท่าไหร่เพราะหลวงพ่เ น, นะแต่ได้คุยกับคุณระืเบียบไปแล้วเลือเบียบเนี่ยก็ฝากตังมาทำห้องน้ำสีห้องบน ค, คุณจะว่าไงเดี๋ยวมาเป็นหงพ่เดี๋ยวจัดคนไปให้เลวงพ่อไม่อยากจะให้ชาว บ, บ้านไปทําเพราะมันช้า แต่ถ้าหากว่าช่างของโยมว่าเบียดทํามันไว้ก็มีช่างอยู่ในมือเพราะนั้นคุณก็ต้องไปดูด้วยกะนั้นคุยจีอย่าไปเก็บประมงต่อที่นู้นลย่าเก็บต่อที่นี่เอาเก็บที่นี่ชีกุ้งจะเก็บที่นี่หรือต่อที่นู้นดี <c oughs> แต่คุณแดงคุณกู้คุณคุณโยมอยากไปไหมท่านน้นไม่สวดไม่ไปนะท่านนั้น คุณพึ่งกับคุณแดงก็ขับรถไป <c oughs> สองคนแเพราะว่ารถอาจารย์ยึดเงินไดีกราภะสามลูกแค่นั้นเองรถไปก็ดิงกาจะยืดไปขับรับกับข้าสวสมงหลวงพ่อได้จากโย ม, ม, ม, ยมพิคุณมาให้เสวตขึอนลงก็ไปดูช่างดูอะไรต่างๆกัน้วยไปนะ ก็ประมาณเจ็ดงเช้าฉันข้าวก็แปดโมงก็พดีอาจจะทันเพลนที่นั่นไ ป, น, ไไป น, นี่พ่อก็ได้ไปพักบ้างานอะไรอยู่นี่พราอก็เหมือนจะไม่รู้มีเชีย่ยวปล่อยก็ทําไปแต่ว่าลักษณะงี้หลวงพ่ต้องมาซ่อมหลายครั้งเสียเงินไปเยอะเหมนกันเพราะหลวงพ่อต้องไป อ, อะไรก็งานนี่ทาํานั่งร้านทําซึมประตูะทำเองมาแก้งานลปลไอยก็ทำไปเพราะนั้นอย่าเป็นทุกข์กับเรื่องอะไร แต่ทำไปตามหน้าที่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทุกให้ทำทาอะไรที่มันทุกอย่าทำเสียเวลาชีวิตทำอะไรที่ไม่ทุกให้ทำอยู่ที่ไหนที่มันทุกอย่าอย่าอยู่เสียเวลาอยู่ที่ไหนไม่ทุกอยู่ที่นั่นไปนานๆดีไหมโอเคมุนทนาสาธุกระฟ้าฟองกัน